ตั้งใจที่เสื่อมบุไปเนี่ยเราตั้งใจสวดมนต์มาเป็นระยะเวลาตั้ง45นาทีนะ45นาทีเราตั้งใจสวดมนต์มาตั้ง45วันนะทีั้งใจที่สื่อมบุไป การการผู้ทม่มาก้าเรายักกายผู้ที่มาถ้าเราผู้ที่ร่วงลับไปแล้วประทามขันทุมีพระคุณทั้งหลายที่มากัาเราและีมาถาเราและทั้งโลกนับไปแล้วพมหากษัตริย์ไทยทุกๆุกพระองค์สะรอหมด ราเจวงทุกๆพระชจวงที่เคยเกี่ยวต้องเคยปกครมาในประเทศไทยโรมทั้ง บ, บรรพบุรุษผู้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปูที่เคยเกี่ยวต้องมาเกิดการพิยมดูแลพระศาสนาพระพุทธศาสนามาทุกยุกสมยัย หลายเหล่านั้นตกทุกส์หายคนทุกมีความสุขแล้วรอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเธอ หนยอยของธรรมต่อนะหลับตานั่งเานาะฟังอย่าหลับกาเลย ก, ก็แล้วกันนะ บนการท่องไปแล้วเราก็ต้องมาป่นตามคือสวดตามการสวดตามเนี่ยมันเป็ น, านการปลอบ<ๆ>เราหัวใจของเราให้อ่อนให้นิ่มไม่มันแข็งกระดา้างในระหว่างที่เราตั้งใจสวดนั้นถ้าเราดำรงสติให้แน่นหนาะมั่นคงโอ้ยีผลมากเมี่อในสงภัยสารทีเ่เรามันเพิ่มพลังกับชีวิตจิตใจของเราได้เป็นอย่างนี้รอบกด สวดมนต์นั้นนั้น้วนจะเป็นสมรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสี่สี่พระองค์เท่านั้นพระองค์เท่านั้นพระองค์ลูนในบดจัพุทเทที่เราสวดเนี่ยพระพุทธเจ้าที่เราตั้งความขอเขาปลอไว้ยหนมากม้หมาดสารการท่องบนสวดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กล่อมกลางหัวใจทําให้ใจของเราได้รับความสงบได้รับความอ่อนนิ่มได้อย่างแท้จริง แต่อย่าสวดที่ปากกันแล้วกันนะให้เอาใจสวดบางคราวเราสวดไม่ได้เราก็ตั้งใจบริกรรมจนมันเกิดเหยาะได้ยินได้ฟังตามในขณะที่เราสวดเราถือว่าเราฟังเทศผู้ทีท่แก้วเขาแล้วกันเราสวดไม่ได้เรานั่งฟังก็ถือว่าเรานั่งฟังเทศของพผู้ที่แก้วเขาแล้วกันที่เป็นภาษาบาลีชินวันนี้มันเกื้อกูลกับคุณธรรมในใจของเรา งานจำปานนั้นันเป็นงานของใจงานฝุกฝนอบรมทำให้เขา้าถึงหัวใจนั้นมันเป็นงานภายในเป็นงานจำแนงจิตใจเรามีใจเป็นประธานมีใจเป็นแก่นมีใจเป็นหลักมีใจเป็นประธานใจดวงเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเรา เราไม่มีใจดวงวเดียวหมอเนียจะเคยพูดเกียเ่ยวกับเรื่องความเท่ากับวั้นหนึ่งปั้นหนึ่งท่านละมีคุณค่าอะไรหรอดูแต่ต้นไม้ก็ไม่ได้ต้นไม้มันยังมีสัญชาติพยามันยังรู้ร้อนรู้หนาวรู้แห้รู้เปียก ร, รู้ชื้นะแต่ป้นถินเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะต้นไม้มันยังมีสัญชาติพยาดูขึ้นมาหน่อยสักตัวเล็ก สัตว์ตัวแดงแตงตัวน้อยมันก็ยังมีสัญชาตญาณใหญ่โต ข, ขึ้นมามันจะพอมีความรู้รู้จักกลูกจับทั้งหลายที่กะโตเห็นไหมเวลาเห็นคนมันแตกตื่นก็อะไรก็มันปลูกดีขึ้นมาหน่อยมีความรู้สึกรับผิดชอบดีชั่วด้กับตัวเองรู้สึกรู้ทุกรู้ดีจะทุกชั่วรู้โลกรูดีทุกคน รู้ด้ครับคือมนุษย์เออเดาเนี่ยมานเนี่ยพรมเนี่ยมีระดับมีความรู้มีความรู้และสามารถมีสติสามารถมีสัมผัยัญญาสามารถมีกจกตจำลองเต็มร้อยคือระดับจิตใจของมนุษย์ระดับจิตใจของเทวดาของมานของพรมเนี่ย ความรู้สึกใจดวงเดียวกันนี่แหละมันสามารถเปลี่ยนหน้าได้พบนี้เจ้า น, นี้เราเป็นมนุษย์เราสร้างคุยงามความดีไว้มากมายมหาศาลตายจากบพบ น, นี้ชจ้านี้จะเป็นเทวดาฉันจะตึมกับตาฉันดาวดึกับตาลูกจิตยามานิกิตานิมานราดูปริญิมิตรปวะสวดีสญญวรรค์ทั้งหกชั้น เราสามารถเปลี่ยนพกเปลี่ยนปรุงเปลีจิตใจของเราออกไปเป็นเทวดาชั้นนั้นๆัมันเปลี่ยนไปได้ยังไงมันก็เป็นไปได้ตามคุณสมบัติจนไปได้ตามความที่เราตั้งอกตั้งใจทําบุญเข้าสู่หัวใจนี้เองทําบุญระดับนั้นตายแล้วจะเกิดเป็นเทพเทวดาชั้นนั้นทําบุญระดับนั้นตายแล้วจะเกิดเทวดาชั้นนั้นชั้นนแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งใจพอในใจได้รับความสงบ เราก็จะเผชิดวันเทวโลกโลกเป็สวรรค์ทั้งหกชั้นมีทิพย์อลังการแต่มีเจ้าของกรมคุณทั้งนั้นมีความสุขยื่นเริงบันเทิงเพลิดเพลินขนาดไหนเรามาดูเถอะเราแค่ไอแค่พวกเรามันหลงห ล, ลงในการมาคุณในโลกมนุษย์นี่มันมีความสุขสักเท่าไหร่การมคุณที่เราหลงน่ะหลงทรัพย์สมบัติหลงยศหลงเกียรติหลงความเพลินหลง ราคะความกำนัดความยินดีทั้งหลายทั้งปวงที่เรามาติดตั้เาเรามาหลงแค่นี้เราก็ติดเรากอต้องกาอแต่ถ้าเป็นกปากี่เป็นทิพย์กันทิพย์กนทิพย์ต้องไต่ชันนั้นชั้นนั้นชั้นนนชแล้วมีฤทธิ์มีเอศีอานุภาพทางด้านจิตใจด้วยแล้วเราคิดว่าเราจะมีเลิศกระตือจักจิตวิเศษวิโสสักขนาดไหนแต่จะเป็น คืว่าเปลี่ยนายช่างไหนก็ตามทหากเราไม่ได้ยินเสียงอัดเสียงตามของทุกทุกเจ้ามันก็ไม่พวนอำนาจของความหลุ่มหลงความหลงมันเป็นพืชเป็นพืชหลงอะไรเกลเหตในหัวใจของเรามันพาหลงทําไมมันจึงหลงมันหลงเพราะมันจิดติดติดอะไรจิดโรคติดเสียงจิดกลิ่นติดรถจิดจังผัดจิดธรรมารม ที่เราได้รับได้รู้เป็นอารมณ์ขึ้นมาในหัวใจของเราแล้วมันเชื่อมใจมันดีใจมันมีความสุขใจเราก็เลยติดความสุขมันลดทั้งหลายทั้งมวลรวมไปถึงเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นไหนก็ตามแต่เธอะติดความสุขความสุขเวลาไปเอาไปสําผัสได้วเนมันไม่อยากทางมันไม่อยากหายมันไม่อยากอรักหน้า มันอยากาดึงเข้ามาอยากนหนีหัวงเข้ามาอยากทะลกรน่กนอกเข้ามาอยากเสพอยากสับปักสารพัดตามอำนาจของความอยากแหมความอยากมันก็ป้วนเข้าไปดีความอยากมันก็พีเข้าไปดีนี่คือเรืมวยหัวใจของเร า, ามันติดความสุขมนุษย์ทั้งหลา น, นั้นติดความสุขเราดูฟังแล้วเราก็ย้อนมาที่ใจของเรา ใจของเราติดอะไรใจของเราติดความสกติดความเพลินใจติดความภาคใจใจของเราใจของท่านใจของใครท่านไม่ชอบขัด้าขัดปั๊บหมุนเตี้ยวตันทีขัดปั๊บหมุนเตี้ยวตันทีภาษาบาลีท่านใช้คําว่าปฏิฆะปฏิฆะใจของเราเนีมันมกักจะน้อมไอศิลปินน้อมไปก็คือมันไปสัมผัสแล้วมันมีความสุข จิตมัน ก, ก็เ น, น่าไปที่งที่พายใจมันเนอาไปนีม้มาก ม, มายเยอะๆรูปมันก็เ น, น่าไปไ ป, ไปสัมผัสรูปแล้วมีความสุขเสียงมัน ก, ก็เ น, น่าไปโอ้ฟังแล้วเปลินใจเลือกเย็นในหัวใจ ม, มีความสุขอ่ารสเสียงกลินรวมไปถึงความลึกถึงอารมณ์อารมณ์นู่นอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่น้าชื่นใจ ืึกคิดแล้วทั้งเราไ ด, ได้รับความอบคุณใจชุ่มเย็บชุ่ม อ, อกชุ่มใจใจของเราก็เลยสุดอหมจิต ค, ความสุขแต่ถ้ามีอะไรไปขัดข้อในหัวใจการคิดเรื่องนี้ยดห ย, ยุดดีกาลังไหลเรื่อนไปีเดียวมีคนมาขัดปั๊บปฏิกะขัดเพลิงขัดคุณในหัวใจบังทีปฏปิกะปฏิกะเรีว่าความขัดใจความขัดใจความขัดใจนีจ่เกิดนี่มีเท่าไหร่ จิตใจดวงนั้นยิ่งเศร้ายิ่งหมองถอ้ามีความขัดใจความขัดใจเนื่องจากว่าใจของเรามันไหลลื่นประามอารมณ์ที่มันชอบอยู่แล้วปกติใจของเราขอ ง, ของท่านของใครเท่งนั้นมั น, น, นไม่ชอบมีอะไรไปขัดพะขัดปั๊บเพราขัดใจขึ้นมาทันทีโตรึ้นมา ท, าทันทีพอชอบใจก็ยึดเข้ามาเพราะไม่ชอบใจครับ พระข้อในหัวใจโกรธขึ้นมาทันทีโธทะโธทะแล้วความโกรธโกรธตะนั้นตะแดงขึ้นมาทันทีพนเราเวลาเรามีความโกรธเราเคยสังเกตไหมเราเคยย้อนไปดูหัวใจของเราไหมมัน ร, ร้อร้อนลื่นเดวาเด้าเด้าเด้าเด้าเด้วเด้าลื่นจนร้อนหมดทั้งกายเนียตาจะร้อนใบหน้าก็รอ้อนอิริยาท่าทางก็รอ้อนครกต่อยตกตีข่าแดงกันขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเกิดความโกรธขึ้นมามันพร้อมที่จะ อเห็นชางเท่าหนูได้เลยเนี่ยถ้าความโกรธก็มันพับถึงมัวยใจพองเราเลยนี่เราดูซิคิดสง่าหน้าของความของตัณหาราคะในมุ้ ย, มยใจของเราเนี่ยได้มาสมอยากได้มาสนใจมันก็ดึงดึงกองกองก็มาใส่มากองกันอยู่เนี่ยเวลาไม่อยากไม่สมใจมันก็ทกข์ทุกทุกๆ์ทุกข์ทุเดือดมาบนี่อะไรมาตัดห้องทำให้เราพลาดจากสิ่งเหลานั้นตายไปขั้งหนึ่งก็ ย, ยอมตายไปขั้งหนึ่งก็ ย, ยอม นี่เห็นไหมนหน้าของความความโกรธนี่เัวจใจของเรานี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงเรามีจิตด้วยกันทุกคนแต่จิตภาวะของจิตของเรามีอยู่อยู่อย่อ ย, อ, ย อ, ยอย่างนี้เป็น อ, อย่างนี้เราศึกษาเรื่องจิตเราเรียนเรื่องจิตเราปฏิบัติธรรมนี่เราปฏิบัติเกี่ยวข้องพันมาที่จิตพันมาที่ใจ เราอยู่กับใจแต่เราไม่เคยสนใจเรื่องใจใจอยู่ยังไงเนอะใจสุขหรือใจทุกข์ใจยากใจลำบากขนาดไหนไม่เคยสนใจรู้เหตุรู้ปัจจัยการที่เราเรียนรู้เหตุรู้ปัจจัยอยี่เป็นหลักสำคัญที่สุดอ่ามาที่ได้เอาบทนั้นมาสาธยายให้พวกเราฟังมีคำเรียก ว, ว่าวิปัสนาภูวิปัสนาภูปันจะขั้นทาขันทั้งหนะ้ารูปักขั้นโทมีรูป รูปรูปวันจักขั้นธารูปกขั้นโทเวทนาขั้นโทสัญญาขั้นโทสังขารขั้นโทวิญญาณขั้นโทคือขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้านี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาแปลว่าเป็นอารมณ์ที่ทําให้เราพิจารณาและเกิดปัญญาฉนารมณ์ของวิปัสสนาขันธ์ห้าอายะโตนาสิบสองห้าสิบแปดอินจียี่สิบสอง ยี่สิบยี่สิบสองสิยี่สิบสองริยสัจสี่ทานวันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอิเรียบอกวิปัสสนาภูวิปัสสนาภูมิใครอยากแน่นหนาบั่นคงอยากแจ่มแจ้งชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่อ ง, องผลให้เรามาสนใจเรื่องเหล่านี้รวมไ ป, ปถึงปฏิจจสมุปบาท อรุชาปัจจะยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจยาวิญญาณธรรมท่อท่องง่ายๆนะท่องง่ายๆจำง่งงงงายๆรู้ปรัสนาภูมิรู้ปรัสนาภูมิก็ท่องง่งายๆอรรมาท่องเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสรมิมนี้แต่คุณประโยชน์ขั้วสูงไว้ใจพ อ, อ, องเราเท่านั้นเราศึกษาเข้ามาเทอันนี้เป็นหลักเป็นประธานเป็นคําสอนของพระิุทธเจ้า คป็นหลักเป็นบทพระบาลีเราควรจำหลักเอาไว้เราอย่าเป็นคนหลักลอยถ้าเราหลักลอยแล้วเี่ฟังระฟังยากเข้าใจก็เข้าใจยากไม่แท่บไม่อริดไม่อะไรไม่มีชั่วร์เขาต้องผ่านหลักที่เขาเรียกว่าหลักลอยการที่เราไม่อยากหลักลอยเรามามาจำปดบาลีที่มันหนักแน่นโอ้ยมีแต่จำมีแต่จำมีแตปริยัพ ปริยัตนั้นถ้าให้เราศึกษ า, า, าเราทิ้ปริยัตไม่ได้ถ้าเราทิ้งปริยัตแล้วเราก็เคารกเข่าพงอ๋อจะช่องจะบทบางเงือจะท่องจะรุนจะช่องตองนี้เป็นปริยัตเป็นนกแก้วนกขุนทองถ้าเราไปจีบแล้วเรามาเป็นมะเฟืเป็นนกแก้วนกขุนทองคุยบาาจย์ทันถ้ากตัญญูถ้าให้เราศึกษาเพื่ออําตย์เป็นต้นสุนในการปฏิบัติ ในเมื่อมือการเรียนการฝึกการอ่านการเขียนจะแล้วเราก็มาปฏิบัติปริยัติมันเกือ่อกูลกับปฏิบัติปฏิบัติมันเกือ่อกูลกับปฏิเวทปฏิเวทคือผลที่เราจะปรุได้ปฏิเวทมันเกือ่อกูลเพื่อความมั่นลุเพื่อความซืุ่อเพื่อความหลุดเพื่อความพ้นความพ้นเราจะเอามาจากไหนถ้าเราไม่เอามาจากสิตวิญญาณนี่ การที่เราได้ยินได้ฟังคุบายยาจารย์ทั้งสอนทั้งภาคปัจจิบัติทั้งภาคปฏิบัติการที่เราได้ยินมันก็เป็นปริยัติหมือนแล้วแต่มันเป็นปริยัติภาพปฏิบัติการที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเร า, า, ก, าก็ไปตั้งใจทํ า, าทั้งบอกว่าพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ไปตั้งใจภาวนาตั้ใจถ้าเราอยู่กับบทพุทโธนะฮะมันมาจากความจำของเราคือปริยัติเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักของสุตตะกินตัด เราอย่จทิ้งตุ๊กตาที่คิดได้ยินด้ฟังกินต่เอาไปนึกไปคิดไปแครไปครูนี่ครับเราอย่าไปทิ้งอ <c oughs> หัวใจของปราหัวใจของปราท่านพูดถนะูกไหมย่อมาสั้นๆสุกิตรุลีมีหัวใจของปราเพราะว่าปราคือผู้รู้ผู้มีภูมิรู้ผู้มีภูมิรู้ทั้งหลายทั้งครัวนั้นก่อนที่ท่านจะแตกฉานเป็นปราเป็นบันฑิตท่านจะต้องอาศัยหลักเหล่านี้แหละ เราไม่ใช่อาัยหลักเหล่านี้แล้วอเราก็ขาดหลักเพื่อความสัมมาทิฏฐิเมื่อคิดออกนอกลูนอกทางเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดอเป็นอัตโนมัดทั้งหมดที่จะเรียกว่าอัตโนมัติอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะเราขาดหลักอัตโนมัติบางอย่างมันจ็ไม่ชวนฟังมันไม่ใช่น่าฟังออัตโนมัติที่สอดแท้ไปกับหลักปริยัติ ับหลักปฏิบัติมันทําให้เนื้อหาสาระอัดผะอยู่นเลยนะมัน แ, น แ, นแนนนจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาในหัวใจของเราจมีความสัำนึงมีความถูกต้องมีความสำนึกมีวิพัฒนาผูกของวิพัฒนาผูกของวิพัฒนาแล้วก็วิพัฒนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็แนแจ้งเอาอะไรมาพิจารณาทําให้เกิดการเห็แนแจ้งจะเอาสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งเหล่านี้มันมีข้อแท็จจริงอยู่ในตัวเรา เราจำมาแล้วเราต้องมาดูความเป็นจริงของมันมันมีอยู่ในกาของเราทั้งนั้นตาเนี้ยเรามีไม่ตาลูบเนี้ยเรามีไหมตาเราไปเห็นลูกไหมแหมเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอุ ป, ปมาเพื่อจะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้น้อมนำมาเป็นข้อปฏิบัติเราไม่ต้องไประ ล, ลึกรู้อะไรมากเอาแค่ว่าตาเราโอ้ตา อายุะรนไปไหนคำว่าอายุศะนแปลว่าเครื่องต่อเครื่องต่อภาษาบาลีมันใช้คำว่าอายตนะแปลว่าเครื่องต่อตบบ า, อ า, ตาปตอตอไปต่อกับรูปแทนจรูปมันเป็นวิสัยของตาเอาเอาตาไปฟังเสียงไม่ได้ดอกมันเป็นวิสัยของมันเอาหูไปเห็นรูปมันก็ไม่ได้มันเป็นวิสัยของมันอย่าไปทะเลาะเบาแวงกันนะเอาตาไปให้เห็นให้เห็นเสียง มันไม่ได้ดอกตามันวิสัยเข้ามาในเสียรูปเอาหูไปเห็นรู้เนี่ยไม่ติดวิสัยเข้ามันมันไม่เห็นดอกหู hammer, มันวิสัยเข้ามาที่เสียงเพราะฉะนั้นท่านพูดถึงนรกท่านพูดถึงสวรรค์ไหนจะมาดูจะมาใส่มึงให้ดูจะมาใส่มึงให้ดูเนีเราไม่เห็นดอกเสียงทิพเสียงทิพเสียงทิพไหนเอาเสียงทิพ <elsewhere> ย <Wanna S 1> ์มาให้ฟังมันไม่ได้ดอกเราไม่มีจุดสำ จะเทวดามาอยู่เฉพาะหน้าเจมหน้าเราเราหูหวกตาบอดจะได้ยินไปจะปะ็น เ, เห็นอะไรเราไม่เห็นแต่ผู้ที่ท่านไม่หูหวกตาบอดเนี่ยท่านเห็นพระรเจ้าท่านเห็นพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกท่านเห็นตัณหาเห็ น, หนตาเราไม่ต้องไปดูรู้ไอ้สิ่งที่เป็นอิทธิอภิญญาเหล่านั้นเราไปดูข้อเท็จจริงตาเราเห็นรูป ไ, ได้ไหมตาเราเห็นรูป ทำไมตาเราจรึงเห็นรูปเราก็ศึกษาอยู่แค่นี้ทำไมตาเราจรึงเห็นรูปเพราะรูปมันเป็นวิสัยของตาสิงที่มีความสําคัญเหนือนั้นก็คือใจอตาเห็นรูปรู้ว่ารูปดำรูปแดงรู้ว่ารูปเขารูปเขียวนี่เรียกว่าเกิดสัมผัสเกิดยีมยานจากคูวิีมยานเกิดขึ้นจากคูสัมผัสเกิดขึ้นอ จะขูด ญ, ญาณเกิดขึ้นรู้แจ้งทางตาอาศัยว่าจิตของเรามันออกมาจากตาตาเป็นประตูเป็นช่องเป็นถาวรให้จิตของเราออกมาจากนอกออกมาเสดออกมาเสียอะไรออกมาเสียออกมาหากินเกี่ยวกับ เ, เรื่องรูปหูออกมาหากินเรื่องเสียงจมูกออกมาหากินเรื่องเสิยงลิ้นออกมาหากินเรื่องรสนี่อะไรออกมาหากินใจออกมาหากิน แต่รับรู้รับทราบ ร, รับรูรับนู้รับนี้เสร็จแล้วก็ดึงเข้าไปเสกจุดในหัวใจนะ ถ, ถูกใจม็นก็จะเสกจุดในหัวใจถ้าไม่ถูกใจมันก็ดึงความทุทธไปเผ า, าไปลนในหัวใจอนี่คือจิตความเป็นไปโดยปกติของจิตของเราจะ่นีปนอยู่นี้แต่ถ้าจิตของผู้ปฏิบัติแล้วใจของผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่เหมือนจิตของ ธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความสังวรสังเวียนระมัดระวังจิตของนักปฏิบัติเราเรียกได้หรือยังว่าเราเป็นนักปฏิบัติถ้าเราเรียกได้ว่าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วจอมาที่ตาของเราเนี่ยตขาของเราเห็นรูกเป็นไหมแผที่จิตใจมันเห็นอ่าแต่มันเห็นผ่านตาใจมันเปนรับรู้รูปเห็นรูป แต่มันฝานตาเห็นแล้วมันไม่ห ย, ยุดยึดจริงอยู่แค่นั้นนะมันรู้ด้วยนะมารู้ว่ารูปดีรูปไม่ดีนะพอรูปที่ไปสัมผัสนั้นถ้าเกิดความสุขเกิดความพอใจภายในใจของเรามาันก็ยึดข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาเน่มันไม่ได้มันเห็นเฉยๆนะแล้วกุศลซ้องอยู่แค่นี้อย่างอื่นเหมือนกันหมดจากกุศลฐานะนิหารใจมะโนเหมือนกันหมด ทำงานเท้าตากับรูปแค่นี้มันสัมผัสสัมพันธ์ไปถึงใจราะเราตลอดหมดทุกปิยาอาการอ่มันมากมายมหาศาลก็จริงอยู่มันมากมายมหาศาลก็จริงอยู่ันหาอายตนะสิบสอง้าสิบแปดอินทียี่สิบสองอยุีสิบสองริยะสัจจีมากมายถึงขนาดนั้นก็ตาม อาศัยไหวใจของเราก็ตื่นรู้อยู่กับอพรมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทุกอย่างเรียนอยู่ในนั้นทั้งหมดถ้าพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมทรรมพร้อมจะเกิดขึ้นตอนนั้นตรงนั้นเราไม่พิจารณาให้เป็นธรรมใจของเราพร้อมจะลุกหลงพอลุกหลงกับจริงนั้นการจะพิจารณาเกิดความก็รู้โดยความฉลาดก็พร้อมที่จะฉลาดกับจริงนั้นจริงที่ฉลาดเราควรพิจารณาให้รู้ให้เห็นให้ถึงให้เข้าใจนั้นแะ รูปท <an> ่านเห็นศักดเว่าเห็นในรูปนั้นมันเหียดนิจจังทุกสังขารตา่านให้เรารู้เห็นอนิจจังทุกสังขารตาเพื่อให้เพื่อให้เราเกิดเราหลาบับเราเกิดเราหลาบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเพรอมันเกิดมันหลาบแล้วมันจะไม่ยึดข้ามาเดี๋ยวนี้เรามีความทุกข์เพราะเรายึดข้ามาถ้าเราไม่ยึดเข้ามาแล้วก็พลักออกไปเราไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเราจีงยึดข้า ม, มา เราไม่รู้เหตุเ้าไม่รู้ผลเราจึงผลออกไปแหมมันปุ๋ยธรรมชาติดึงเข้ามามันก็ปุ๋ยหลักธรรมชาติผลออกไปมันก็ปุ๋ยหลักธรรมชาตินี่เขาเรียกเขาเรียกว่าจิตยึดจิตยึดจิตยึดก ค, คือจิตที่มีปัญหาจิตที่มีอุปาทานถ้ า, าไม่มีอุปาทานจิตมันก็ไมน ย, ยึดถ้าจิตมันไม่มีปัญหา มันทำงานเพลยขึ้นมาโดยนี่มีปัญหาในหัวใจของเราแต่ลักษณะแค่ขนาดมีไหมมีเราดูเหมนจักเจ้ว่าเห็นวิสติกมีปัญญามีสมาธิกำหนดจดจ่อมันเห็นจักเว่าเห็นมันไม่ได้ซึมซับเข้าไปสู่อารมณ์ที่ที่เราเห็นนั้น่ะพอจิตของเรามันไม่ได้ซึมซับไปสู่อารมณ์ที่เห็นเพราะเรามันแค่มาหยุดเห็นจักเจ้ว่าเห็นเห็นจักเว่าเห็นเราไปทดสอบดูได้เลย เราก็ยังฝึกซอมอยู่ตรงนี้แหละอันนี้แหละคือวิธีการที่จะลดที่เจริญละการหานความอยาดในัวยใจของเราพออุปมาเปรีเทียบมีมากมายมหาศาลแต่ยุกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วจะเหมือนกันหมดตาเกี่ยวกับรูปหรือจะถนัดเกี่ยวเกับหูหูเกี่ยวกับเสียงหรือเราจะถนัดเกี่ยวกับสมูกสมูกเกี่ยวกับกลิ่นหรือเราจะถนัดลิ้นลิ้นเกี่ยวกับรถ รเราจะาพิจารณาลมภายในจิตของเราใจใจคู่กับทำมารมเสื่อมลมข้างในจะพิจารณาคู่ใดจะพิจารณาอวัออยวะอวัยวะบทใดมันมีค่าเท่ากันหมดภายในเลือดภาเราเลือกตามาตามจิตตามมือสัยเราจะมีสยัยของเราในยาละเอียดและความถนัดไม่เท่ากันไม่เหมือนกันทั้งนี้เราเลือกเลือกมาพิจารณาและจะพิจานาเกี่ยวกับผม At, มืสิ่อที่พิจารณารูปผมมองเจอรูปผมเห็นรูปตาสามารถมองเห็นผมในขณะที่เราพิจารณาเราก็หลักตาพิจารณาผมผมผมเอ๊ะเราหลับตาแล้วมันโผล่ขึ้นมาได้อย่งไรผมมันก็โผล่ขึ้นมาได้เพราะว่าในใจฟองหนึ่งมันเป็นส่วนของความจําที่จะเรียกว่าสัญญาสัญญาสัญญาขันสัญญาขันอะไรสิ่งร่วงไปแปดจุดไปอยู่ในหัวใจของเรา มันเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งนั้นแหละเลมันพร้อมที่จะแทรกเข้ามาในขณะปัจจุบันด้วยมันพร้อมจะแทรกเข้ามาในสัญญาอารมณ์ที่มันร่วงไปอู่แล้วด้วยแต่าเราไม่มีวิธีการรู้เท่าทันมันเนี่ยมันเข้าช่องไหนทะลุช่องไหนทะลุได้หมดเลีสมีความอยากในหัวใจของเราเนี่ยร้อมอยากมันพาให้เรายึดความยึด มันทําให้เราทุกข์ความทุกข์มันทําให้เราไม่พอใจไม่ชอบใจไม่มีใครชอบแต่ความทุกข์แต่เวลาเราต้องการเราแ ส, สวงหาเราแสวงหาแต่สิ่งที่เป็นความสุขสอกหาแต่สิ่งที่เป็นความสุขแต่ถ้าหาเราไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เท่าทันเราไปหลงหลงเหตุเพื่อความทุกข์ว่าเป็นความสุขอเข้าใจเหตุอย่างหนึ่งว่าผล อ, อีกอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้น หลงติดเข้าใจผิดนี้แหละคือความลุ่มหลงเหมือนเราต้องการทาสีขาวแต่เราเอาแ ป, งปรงไปจุ่มสีดำเนี่ยบอกมาอันนี้ทําให้เราฟัางเข้าใจง่ายขึ้นเราเราต้องการทาสีขาวนี่คือความต้องการในใจของเราแต่เราเอามือไปจุ่มสีดําอันนี้คือความสุภาพมักง่ายของเราความไม่ใช้ปัญญานี่ผู้ทุชน ร้อยช่างร้อยจะมีอคตินกรรมอยู่อย่างนี้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนากับเหตุปัจจัยที่เราไปชอบเนี่ยมันไม่เท่ากันเหมือนคนต้องการทาสีขาวแต่อับแรงไปจุ้งสีดาเราศึกษาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราต้องการศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงว่าเราต้องการสีขาวเราจะต้องปรุงแล้วจะจุ้งไม่ถูกว่าเป็นสีขาวคืออะไรนี่คือตรงเหตุกับผลอ่านำ นําเหตุไปสู่ผลทําเหตุตรงแนวไปสู่ผลอันนี้สำคัญนะเตรียมพิจารณาให้ดีเพรา <_ l> um> เรามาตีกันอั้นตู้กันอยู่ตรงนี้แหละไล้เหตุมาท้ายผิดผิดท้ายถูกจุมผิดจุ่มถูกอยู่นี้่แหละแล้วเร า, าก็ากกมามากาแล้วก็มาท้าเติร์กอยู่นี่แหละไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยอะไรคือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นมันก็ดึงแต่ทุกข์เข้ามาถ้าถ์สงวนใจดึงแต่ทุกข์เข้ามาทัศน์สงวนใจติดกันอั้นตู้อยู่แค่นี้แหละ แก้ไขไม่ได้ไม่มีความรู้ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีไม่มีธรรมะในหัวใจไม่มีปัญญาชอบด้วยธรามอ่าโมหะโมหะความที่มันมาปิดกลุ่มหัวใจของเราไม่ได้ไม่ให้เราเห็นข้อเท็จจริงที่เขาเรียกว่าโมหะโมหะคือความลุ่มหลงเราพยายามศึกษาให้รู้เข้าใจข้อเดียวเรื่องเดียวมันจะกระจายไปทั้งหมดธรรมะแปดหมื่นสี่พันเรามำกันมันจะกระจายไปทั้งหมด เราเข้าใจเรื่องหลักเหตุกับผลแค่ น, นี้เพราะบนโลกใบนี้มีอยู่แค่สองสิ่งคือเหตุกับผลเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่มีเราดูไปให้เห็นหลัชกชัดๆที่ท่านพูดไว้ใน ห, หลักอริยสัจทัสี่อริยสัจทั้งสีาา่ซึ่งเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงคนพุกพระองค์เองจนเป็นเหตุให้โรงเนี่ยไปชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะจะพูดจัดสรุปเองโดยชอบแั่นี้แหละมีเหตุกับผลแค่นี้แหละ ที่เห็นตรงเน่วไปสู่ผลเหตกับผลที่คุณแจ้ทรงบรรุ้ น, นี่ยสมุทไทยมีโรดมเนี่ยอรัิสิอยศั่ ง, 4, ทง 4, ุทุกสมุทไทยมีโรดมทุกเ็ผลสมุทไทยเป็นเหตุน่นอารยกรรในใจของเราทหาเราประกอบมาด้วยสมุทไทยผลต้องตามมาทันที ผมต้องตามมาทันทีอูฐไทยก็คืออะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรล่ะดูหน้าดูตาเข้ามาสักหน่อยตันหากรรมตันหาเพราะว่าตันหาวิภาวะตันหาย่อยละเอียดต้องไปอีกไม่ต้องไปดูกรรมตันหาเพราะว่าตันหาวิภาวะตันหาด้วความอยากนั่นแหะคือตัวอัตชาระเข้ามัาแท้ๆความอยากแสดงผลให้ปรากฏกับใงของเราทุกขณะ ทุกเวลาทุกนาทีเราพยายามย้อนมาดูหนึ่งหัวใจของเราเราเห็นความอยากโอ้เนี่ยสมุทรไทยเฮให้ เ, เกิดทุกมันอยากอะไรล่ะมันมีกิริยาความอยากเพรามันยากอ่าเพาอำนาจของความโลภอยากเพราะอำของความโกรธอ่อยากอิจฉาที่เสียพยาบาทอยากอาฆาตกัรหาความอยากทมื่หลายตั้งโบรานี้ท่านว่าเป็นสมุทรไทยเพราะ มันล่อให้เราเนี่ยทําตามมันพอเราทําตามไปปั๊บโอ้ยมันมีเกิดเกาะอยู่ข้างในมันเกาะปลาเราจีนนั่นแหละกองทุกเงิมาพักหัวใจของเราแล้วโอ้ทุกอยู่แล้วโอ้ทุกอยู่แล้วทำไมจีนเกากพะพอเราไปงับทําไมจี ง, งับเพราะเราไปยึดพอเราไปยึดแล้วก็งับพอเรางับมันก็เกาะมันก็ติดอะไรก็อะไรติด ความทุกข์มันเกาะมันติดติดอะไรติดหัวใจทุกข์อีกแล้วทุกข์อีกแล้วเสียท่ามานอีกแล้วบางคนไม่รู้จักเลยทรับไปว่าเสียท่ามันมันจะเลินใจไปตามมันเท่านั้นเองมันก็อยูทั้งวันทั้งคืนเล่นนั่งนอนไม่เคยสนใจหรอกไม่สนใจไม่ได้ศึกษาเรื่องธรรมเราพยายามตึงกระจายแค่นี้ทธรรมะในหัวใจของเราจะกระจายแยกแยะเข้าไปเรื่อย มันได้เกิดความตรวจความาก็ใหญ่ตรวจปัญญาแล้วมันจะได้ตรงเน้าจากเอไปสู่ผลจากผลไปสู่เหตุกระจายได้กระจายได้ทายได้มั่นใจได้ถูกต้องได้เต็มที่เต็มฐานร้อยเปิดเหตุความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผลนะมันไปจากเหตุ มันแยกไปทุกเรื่อยมันไปจากเหตุความทุกข์ทั้งหลายมันเป็นผลไปจากเหตุให้เรามาทำความเข้าใจรู้จักคำว่าทุกข์ร่างกายของเราทั้งหมดนี่แหละเป็นกองทุกที่ประกอบไปด้วยดินด้วยน้ําด้วยลมด้วยไฟในกันในปัญจสันเรียร์ว่ารูปรูปร่างกายของเราทั้งหมดนี่แหละเป็นกองรูปรองรูปนี่แหละเป็นกองทุก หรือเป็นก้อนทุกข์ก้อนทิดดินแผลที่จริงข้อเท็จริงของมันที่แท้จริงมันมีอยูพมุติเจ้าท่านสอนอยู่แต่มันไม่ได้เข้าถึงจิตถึงใจของเราท่านสอนว่ามันเป็นแค่เป็นแค่เป็นนิำเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟกินน้ำลงไฟขอตัวขอร้างสร้างตัวมาเป็นตัวเราเป็นตัวเราทําไมกินเป็นตัวเราได้อดินน้ำลมไฟตัวนี้ เพราะมันมีตัวยึดมันมีู้ยึดนะใช่ไหมมันเลยเทอไปจากความยึดไหมความยึดทั้งหลายทั้งปวงนำทุกมาให้ความยึดทั้งหลายทั้งปวงอ่าที่เป็นส่วนของสมุทัยนี่ยพักนําทษมาให้อ่าแต่ความยึดทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเรื่องของมาอันนี้เป็นเรื่องของธัรมันไม่ใช่เรื่องของเท่ดความยึดก่อน ในมัดในข้อปฏิบัติที่อย่างเรายึดสิ่งตั้งใจรักษาสิ่งอย่างยิ่งทุกอย่างล้ำปล า, าไม่ให้สิ่งขาดดางคอทะลุยึดสมาธิตั้งใจทํำใจรับความสงบยึดปัญญาพิจรารณาตามหลักที้ศาลาผู้บายฝัง่งเนี้เรายึดสิ่งเหล่านี้ที่เรียว่ายึดมัดฐานญาสัตว์ทั้งสีเรายึดไม่ได้เช่อย่างนะยึดได้อย่างเดียวคือมัด สอย่างข้างต้นเนี่ยยึดไม่ได้ทุกจะยึดไม่ได้ยิ่งสมุทัยยิ่งยึดไม่ได้อนี่รู้จะยึดไม่ได้นี่รู้ที่เป็นของจริงขอให้เป็นนีโรูของจริงติดตัวนในหัวใจของเราเองเราไม่ต้องไปยึดมาตราณที่เรายังยึดมันยังเป็นกองกิเลสอยู่ถ้ามันตกหุดเป็นสุทธิเป็นบริสุทธิแท้ๆเราไม่ต้องยึดมันเป็นคุณสมบัติที่เราชัล้างตัดเกล่าได้เดียวยึดได้อย่างเดียวคือมัร ยึดสมุทัยนี้รอดมั้ยยึดได้อย่างเดียวคือมั้ยถ้าจะมีปัญหาแทรกเข้ามาว่าอายุยสัตทั้งสยึดได้สักอย่างไหมยึดได้อย่างเดียวหนึ่งเดียวนอกนั้นยึดไม่ได้สักอย่างทำมาเยีงยมดไม่ได้ยึดเข้ามาแล้วเป็นอุปาทาจะเหตุนาทุกข์นำโทษมาให้เรายุดธรรมะยึดปัญญากฎยึดอย่ากการที่เราตั้งใจปฏิบัติรมพอเรายึดไปครับโอ้กลายเป็นปัญญาของพิเลรศแล้ว เราไม่ปล่อยผลผลที่ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราเราะว่าไม่ปล่อยรวมไปถึงว่าเราไม่ได้พิจารณาเราปืนทั้งร่มเล็กคืนทั้งกาง้างปืนทั้งเก็ดปืนทั้งก้างสร้างเล็กก้างใหญ่ก้างแหลมปืไปหมดปืนทั้งหมดไม่ได้พิจารณาไม่ได้แยกแยะเพราะฉะนั้นธรรมะที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเช่เดีกันเช่นอย่างอะไร เราภาวนาไปแล้วใจของเรารู้สึกสงบลองยืดเอายืดเอายืดเอายืดเอาท่านให้พิจารณาสิ่ที่เกิด น, นั้นอเกิดความตว่านเนี้ยทําไนให้พิจารณาความสวา่างเพราะมันมีข้อเท็จจริงของมันอยูยึดยานเนี่ยความรู้ความอย่างรู้พระาพรน า, ามพิจารณาเขาหลงเราเขาหลงพอเราเสร็จแล้วเราบรรลุแล้วเราพ้นทุกขแล้วอะ เราคิดทั้งหมดไมาได้พิจารณาเยเอีย้ยะทดเทบจริงอะไรให้มันท่านให้ย่อยตัวนั้นให้ย่อยตัวคนนั้น อ, อีกค น, นใมใดปรากฏขึ้นมาย่อยสลายก็ไปผลไม่ใดปรากฏขึน้นมาย่อยสลายก็ไปเพราะมันย่อยสลายหมายความใช้สติใช้ปัญญากำหนดจดจ่อพิจารมันมีสักจะอยู่ในตัวของมันมีเราพูดถึงวงในนะที่เราตั้งใจเอาความภาคความเพียน มันจะเปนเครื่องเชื่อช้เชื่อลาเชื้อกระชัดเชื่อกล่าวได้ได้เป็นอย่างดีแเราอย่ามองข้ามสิ่งเหล่ น, นี้มีผลมีอา น, นิสงมีประโยชน์ต่อการที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจบำเพ็ญศึกษาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมยากเจ็ดผู้มีปัญญาชัดเจนแจ่มแจ้งนำไปสู่หลักสัจจะตรงเน่าพยายามสูบทอดข้ออัดข้อธรรมที่เป็นของสิ่งเอาไว้ ยันย่งันห้าเนี่อย 12, อายุระสิบสองเนี่ยห้าสิบแดตาท่านจะเรียกตานะตาตัวเดียวเนี่ยอ่าอายุระภายในท่านจะเรียกพระจะนี่ท่านเรียกอู่ท่านเรียกจักคุณซีจักคุณีทาท่านจะเรียก จะกู ta, ta, ta, ta, upa, ana, ta, ่ธาตุจะกู ak, ana, ta, ่ธาตุจะกู ut, ่ธาตุรู้ธาตุตุจขุกินยานธาตุชัตระธาตุชัตธาตุัธาตุตระินานธาตุธาตุัเีจริงนี้มีกิกรอยู่มีทั้งสมมติมีทั้งปรมาข้าวปรมาคือกิจกรรมรู้มันนี้มันไม่อยู่ อยทั้งสมมติครูชื่อชื่อพระเจ้าท่านทรงตั้งขึ้นมาเราอยู่ในความอาธิษฐานของรูปพระเจ้าเนี่ยท่านเห็นกิริยาอาการของสิตของเราทุกอย่างทุกเรื่องทัานบันแกตมาเป็นเป็นคำพูดทั้งหมดให้เราได้ยินไปฟังเมือนนั้นพวกเราเราสมมติจะจับตรงไหนละ่ะอนันานาอนันานาอนันาน า, น า, นารู้อะไรเละอันนั้นกิริยาอย่างนั้นของมันเป็นงนั้นเป็นงนั้นเขาเรียกว่าอนนั้นสมิกิริยาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขเรียกว่าธรรมจันญะความรู้ตัวของมัน วิทยาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเัาเรียกว่าความเพืยกของเขียนวิทยาความอดความทนความหนักแน่นอยู่นั่นแหละแน่ไหนเขาเรียกว่าความอด sí. ความทนมันอาจมีอาการแต่ละอย่างแต่ละอย่างบอกมันมีบอกอยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาสี hmm. ่เหมือ <Hi>. นี <AM English> <mixed rugby> ้ให้รู้ให้ให้รู้เอาไว้เราจะได้ฉลาดโดยธรรมไม่ใช่ฉลาดโดยกิเลสถ้าเราชนะโดยธรรมแล้วเราจะทันกิเลส เราจะทำต่อเมื่อเรารู้จักหน้ารู้จักตาเข้ามาเราไม่ต้องไปรู้จักแค่ตัวหนังสือรู้จักมาตัวข้างในเข้ามันเนี่ยเราต้องการจะรู้ไม่ยากหรอก จ, อจ่อไปิี่ใจของเราเนี่ยมันมีกิริยาการใดๆขึ้นมากระโปลขึ้นมาจับปับ๊บกิริยนใดๆขึ้นก็ตามโผล่ขึ้นมาจับปั๊บกิริยาใดๆกรตางก็เลยก็เลยพลิกแรงโผขึ้นมาจับปั๊บเราจะเป็นอะไรก็ชางมันนั่นแหละที่ทํางานถูกต้องแล้วทางานถูกที่แล้ว เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมัน <ones> รู้จักช really mm ื hmm. ่อมันก so ็ตามไม่รู้จักชื่อมันก็ตามเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่เราเห็นความไม่คงที่อยู่ของมันเราเห็นความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงคือความไม่คงที่ความไม่คงที่ก็คือความเปลี่ยนแปลงคืออันนี้จังกับทุกข์หังภาวะที่ไม่ใช่ตัวไม่จนก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่จดคืออันเดียวกันนั่นแหละมีเราพูดถึงร่างกายเป็นกองทุกข์จิตใจก็เป็นกองทุกข์ทำไมจิตใจมีเป็นกองทุกข์ แล้เราเอาอะไรมาทำงานเราเอาใจนี่แหละมาทำงานเอาใจส่วนที่เป็นพากรรที่เป็นธรรมทำมาใช้งานรู้สติธรรมสติธรรมเนี่ยมันปลุกปลุนะีตื่นรู้ขึ้นมาขณะที่เรารู้รู้ชัดเจนเ้แงเต็มร้อยนะที่จ ร, ร, ร, รมีสติกลังดูแลอยู่ขณะที่เรารู้จางๆนะรู้หลงงลืมลืมรู้จง ๆ, ๆ ไม่ได้มีเกียรจักองเต็มร้อยมันขาดสติหาดสามัญญามันไม่มีเป้าที่แท้จริงมันมีขาดเกียรติจักรงขาดความมุม่งมั่นขาดเป้าประสงค์มั้นจะขาดเป้าขาดเป้าขาดจุดที่เราจะเดินไปขาดเป้าที่เราจะพุ่งเลง็งแล้ะพยายามทําให้ถูกต้องได้ตามเป้านั้นนั้น อาจเจตนาสาดเจตจำนงเพราะฉนี้เรามีสติตั้งสติรู้ขึ้นมาปลกุกจิตเข้ามาตื่นรู้รู้ขึ้นมาเนี่ยต้ณหามมนก็แทกเข้า ม, ไมไาไม่ได้ทำยังไงกตามที่จะให้ตัณาไม่นแทกเข้ามาไม่ได้ไให้มันตามเราทำเ็นสัมันธ์ที่สุดเราจะต้องเข้ามาดูที่อาจารย์ข้อเท็จจริงในหัวใจของเรารู้จักชื่อเข้มามากระทรู้จักชื่อเข้มามากระทำจอเข้ามาดิจจัยให้เราเ นนมันมีอารมณอะไรต้องมาเกี่ยวข้งจอมาที่ใจไปยอนไปดูอารมณ์นั้นดูนะะ اض, อารมณ์ใ น, ใใ น, ใ eff, eff, นั eff, ้นไนปนย้อนจ่อมาดูทียใจเนี่ยอจอดู้ว่ใจไปจอไปดูอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์ความทุกข์จนอายจนหวั่นเนจามอยู่เรียเนี้จ่อเขไปช็คมด้เอาใจของเราจ่อไปหามันเราก็จอ่อมันทํายใจไห้มัในยืด ถ้าเราคอยใหมันยืขึ้นมาชิรัยเมื่อไหรอะความถือตัวก็เกขึ้นข้มีขึ้นความเป็นตัวเป็นตนก็เกิดขึ้นเมื่อความเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมันก็จะต้องมีความเห็นแก่ตัวมีมีความเห็นแก่ตนก็มีความเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่ตนมันก็ต้องมีทําอะไรเพื่อตนเพื่อตนเพื่อคนไอเพื่อตนนี่แหละมันก่อทุกข์ก่อโทษมากมายมหาศาล แตถ้าเพื่อตนเองทำเพียงจะทำความรู้แล้วก็ปล่อยถทำควอบรู้แล้วก็ปล่อยแต่ยังเงินเพียนโดยธรรมทัศนิบควาะหมดความชมโดยธรรมฉลาดโดยธรรมชนารู้รู้รู้รู้รู้หมดทุกสิงทุกอย่างไม่ยึดอะไรสักสิ่งสักอย่างยึดแนวปฏิบัติทำไมจะรู้รู้รู้ยึดแนวปฏิบัตินนั้เรียงป้อนเข้าไปพวาภาคความเสียรความโปรดความคนป้อนเข้าไป การงานทําในทางในใจของเราอ่า ม, ม, มันจะเพื่อมันจะเพื่อคู่กบข้อใจของเราทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมคือธรรมะข้างในขอเราฉลาดในธรรมะข้างในเถอะทั้งนอกเนี่ยมันจะฉายแสงออกมาเองทําไมไม่พูดเรื่องการค้าทํามาค้าขายได้กาไรขายพร่องแต่ในใจของเราของท่านของของใครก็ตามอยากได้ของฟรีเท่านั้น มาเสกท้ายแน่มาหาจิตรับรวยโชคไหลมาลาบไหลมาแน่เว้นหลงอีกแล้วมันชวนหลงมีเไปพูดให้เราเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไม่แก่นแท้เลยแล้วนหนที่ทำให้เราลุ้มหลงเข้าไปหลงในธรรมให้พรฟังดูพี่หลงหลงในธรรมให้พรพรทั้งหลายท่านให้เราฟังให้เราฟังให้เราฟังให้เราประกอบฟังเอาไว้ให้เป็นกําลังใจ ไม่ใช่พรเหล่านั้นจะมาทําให้เงินทองไหลมาเข้ากระเป๋าเราลึ้นตึงไม่มีดอกถ้าเราไม่ไปทำเหตุที่ไหนมันจะเข้ามาทำทานเหตุขาดผลเราพิจารณาเรื่องเหล่านี้มันสะท้อนมาที่ใจของเรามันจะต้องเกี่ยวข้อกับเหตุกับผลไม่มีเหตุผลไดๆจะเกิดไม่มีไม่มีผลเมื่อมีผลผลใดๆก็เลยไปที่จากเหต เมอมีเหตุเหตุใดๆไม่เคยปฏิจจารผลในโลกนี้มีเหตุกับผลเท่านั้นเหตุกับผลเท่านั้นนอกเหตุเหนือผลมีไหมเป็นคาพูดที่เฉยนะที่เราได้ยินได้ฟังกันนอกเหตุเหนือผลไม่มีพระอดียเจ้าท่านได้อภิญญาได้สมาบัติท่านก็มีเหตุผลของท่านท้งมีเหตุผลของท่าน ด้วยเหตุที่เราไม่มีเหมือนท่านเราก็ว่าโอ้ีิความรู้นอกเหตุเหนืยผลนนอกเหตุเหนือนผลของเรามันไม่ใช่ น, นอกเหตุเหนือนผลของท่านอ่าอันนี้คือคาพูดนะเหมือนกับว่าจริงเรานั้นอ่ะไม่มีเหตุไม่มีผลมันมีเหตดผลในตัวของมันแต่ด้วยความผิดจากทัานโตูของเราเนี่ยเราไม่รู้ไม่เข้าใจพระเจ้ามีฤทธิ์มีเดชมีอภญญาเนี่ยมันมันเช่ในเด็ดวกับโลกใจใจทั้งนั้นนะนั่นอ่ะ ใจตัวนั้นหละเป็นเหตุใจตัวนั้นแหละเป็นเหตุอ่ใจตัวนั้ น, นเป็นเหตุไม่ใช่นอกเหตุเนี่ยผลนอกเหตุเนี่ยคนฉันคนไม่รู้ไม่เข้าใจอุบาานที่ท่านมีฤทธิม์มีเหตมีปิญญาเมันไปมันเป็นได้ยังไงมันเป็นได้อย่างไงมามีเหตุมีผลอยู่ในนั้นแหละแต่เราใช้คาพูดกเอ๊ะมันเป็นได้ยังไงมันเป็นได้อย่างไงมันจะมีเหตุมีผลข้องมันนั่นแหละแต่เราตามไม่ ท, ทันพระนเอศ ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะปฏิจจัยเตงจากผลมีผลแล้วต้องมีเหตุเหตุแล้วก็ต้องมีผลทํายังไงเราจะเป็นคนหนักแน่นเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องผลเราจะได้ตรงแนวไปสู่หลักสักจจะในหัวใจของเราเดี๋ยวนี้ยุทธศาสหามันพาเราแปลจากเหตุนะครับผลก็แปลภาพแปลไปหมดมันพาแปลปิดหม ด, ม, ด, ห ม, ดมันเอาไว้ความยาข้อยได้สมอยาข้อยได้สมยาข้อยได้สมยาข้อยได้สมอยาก แต่มันลงมันจะสร้างเหตุิมันต้องการสีขาวแต่มันต้องจูงมาสีดําเำไงมันต้องการสีขาวตะกิเลสมันมักง่ายมันให้เราไปจูงมาสีดำแหมเอ๊ะเราสร้างจงสีดำเราเราเราเราต้องการสีขาวก็มไมเราได้สีดํานี่คือเราเลินเลอ่อเราพลั้งเราเผลอ เรามักง่ายเราไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญาในการพิจะราหาเหตุเราไปสร้างเหตุเราต้องการผลรู้ผลคีอความสุขความเจริญแต่เราไปทําเหตุเพื่อความยุ่งยากเพื่อความทุกข์ยากเพื่อความลําบากมันก็จะได้ผลคือความทุกข์ความยากความลําบากนั่นแหละผู้ช่วชนกับอริยชนที่เป็นไปดันยากผสมต่อมันจะมีสวนกระแสการสวนทางกันอย่างนี้มันไม่เหมือน ผู้ที่รู้เหตุเป็นเร้่งชัดเจนแล้วะนำไปสู่ผลอย่างชัดเจนวันนี้พุทธเจ้าท่านมีพยามสอนพวกเราให้เรารู้ให้เราเข้าใจเรื่องหลักศีลธรรมตั้งใจรักษาศีหลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพยไม่ประพฤติไม่ากานี้แหละเป็นมันเป็นการงดเว้นที่เหตุที่จะทําให้เราได้รับความทุกข์ได้รับความเล่าเพราะเดือดมาตามมาในภายหลังเพราะอะไรเพราะเราฆ่าสัตเราฆ่าเขาเขาไม่จะต้องฆ่าเราเรารักทรัพย์ หลักหลักของเขากเขาจะต้องรักของเราเรื่องที่เป็นสัจจะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องหลักของกรรมหลักของกรรมนี้เป็นสัจธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่มีสัจธรรมไม่มีอย่างอื่นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าหลักของสัจธรรมอันนี้เราควรทางความรู ah ้ควรทงความเข้าใจเราต้องการให้กรรมของเราบริสุทธิ์เราจะต้องมาพิจารณาครอบครัวด้วยสติด้วยปัญญาสร้างแต่กุศลกรรมยาไปสร้างทากุศลกรรม ที่เจ้าท่าก็สอนอยู่แล้วว่าทจำไดๆก็ตามที่เป็นไปเพื่อผูกสวนให้เราตั้งใจทําจำไดๆก็ตามที่เป็นไปเพื่ออัดสวนให้เราตั้งใจนะครับตั้งใจลดตั้งใจตั้งใจงดตั้งใจเว้นการไม่ฆ่าสัตว์หนูเว้นไม่ลักทรัพย์ูเว้นไม่เคยพูดปิน้ำใจหนูเว้นไม่พูดโกหกหนูเว้นจะกินเละมันให้เรายอมมันยอมให้เราไหมมันเคยฆ่ามันเคยฆ่านีไม่ดีมันงักเหยียบผลมา มาทะเลบอกแรงกันกันเดียวละซ่าเหมือนเถอไม่ได้มันยกมันฉกมันหยิบมันมั่ง่ายมันอยากได้ง่ายง่ายนมันจะไปทํางานให้ออกอนออกแรงไม่ได้ผลตอบแทนเงือที่แตกยางที่ออกน่ะมันไม่อยากทำหรอกมันอยากหยิบสวยเอาง่ายง่ายมันมั่ง่ายนั่นแหะเกเลตแน่ไปรักของเขาลองดูสิ ติดสินติดทําทแล้วยังไม่พอผิด ก, กฎหมายาม บ, บ้านเมืองจะปรับไหมใส่โทษตัวนี้ไม่ดีติดเตือนจำติดทุกติดตราต่ดเงียบด้วยติดทำด้วยผิดกฎหมายอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วก็การสินติด ท, ทำเนี่ยมันไม่ใช่จะให้ผลแค่เพนนิ่งอัตราภาลยให้ผลรู้ปีร้อยีเท่าแต่เพีที่เราทำทำเหี้ยนดี ให้ผลเป็นร้อยเท่าพันธุีทำเหตุชั่วก็ให้ผลร้อยเท่าพันทุีเรื่องของผลทางด้านจิตใจนั้นน่ะมันให้ผลมากกว่าเรื่องของวัตถุเรื่องของวัตถุเราสามารถให้ผลได้หนึ่งทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองแต่ผลทางทางด้านจิตใจมันให้ผลร้อยเท่าพันทุีผลของกรรมมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากใจเพราะฉะันมันจึให้ผลได้ร้อยเท่าพันทวีเอ๊มันให้ผลได้ร้อยเท่าพันธุีได้อย่างไง คุให้ทานแค่นี้โอ้เวียนไวหวตายเกิดบนสวรรค์ไม่รู้กี่กัปกี่กันนั่นแหละตอนนั้นกัปตอนนี้กับเวียนไวหวดีคนสวรรค์ไม่รู้กี่กัปตัวกี่กัปตกแค่นั้นมาเกินในเมฆมันุษเวียนไหวมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเศรษฐีมรู้กี่ชาติตัวกี่กาชาตินักไม่ทวนเงี้อันที่สงจะการสร้างชุมนุมความดี อานิสงจากการสร้างบาปสร้างกรรมตรงนรกหมกไหมหลุดจากขุมมนุษยไปเข้าขุมนั้นลุดจากขุมมนุษยไปเข้าขุมนั้นขุมนั้นลุจากขุมนั้นก็ไปเข้าขุมนั้นมาที่โรมมาเป็นมนุษย์แมบเดียวก็เหลียวเขาดาวเขตามเอาไปอแล้วตายอย่างนี้ไปแล้วไปไหนไปตรองนรกอีกแล้วความันยังไม่หมดมีแตกว่าแผกท้องแผกท้องมานี้หนีเรือนจำมาเนี่ยแผลทอกมาหนีเรือนจำมาน มีจุดกำกำ ม, มันให้ผลให้ผลข้ามภพข้ามชาติกำ ม, มีพลังมีอนุภาพยิ่งกว่ามีเคลีย ร, ร์มีตรอนมีเคลียร์มีตรอนให้ผลเฉพาะวัตถุปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่สามารถจะให้ผลข้ามภพข้ามชาติได้ทําไมกำจังมีพลังมีอนุภาพยิ่งใหญ่ถึงขัน้นนี้ถึงระดั บ, บนี้ก็เพราะกำมันเป็นผลผลของใจ บอกแล้วว่าใจมันให้ผลร้อยเท่าปันตวีทำดูทั้งคนนี่ให้ผลร้อยเท่าปันตวีอาปาทำกรรมให้ผลร้อยเท่าปันตวีดูพระโมฆลลนะนานะข้าแม่ของท่านะข้าแม่ของท่านเนี่ยในอัตภาพเดียวเนี่ยมันจะพวห้านาทีอะไรข้าแม่น่ยแต่ทำไมให้ผลมาทุกชาติเกิดชาติไหนก็ถูกค่ะเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่ะเกิดชาติไหนก็ถูกค่ะนี่คือการให้ผลร้อยเท่าปันตวี ไอ้ถูกค่านี้ยังไม่พอนะไปจงนรกรู้จากคุ้งนั้นมาเกิดคุ้งนี้รู้ดจากคุ้งนี้ไปเกิดคุ้งนั้นรลุจากคุ้มนั้นมาเกิดคุ้งนี้ไม่รู้ตะกีดกับกีอาสมใครกับอ่าไม่รู้แหละกรรมเหล่นั้นพอจะโผล่ขึ้นมาเป็นมนุษย์ถูกเขาฆ่านี่หรืไปเกิดเป็นสัตว์หรอกไม่เคยตายก็แก่เท่าชะนาตายดอกมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เคยอ่าตายก็แก่เท่าชะนาดอกเพราะกรรมที่ไูกฆ่า อพราะไอ้กรรห่านี้มันจะทอดมาที่เราค้าแม่เท่ากับค่าตัวเองค้าพ่อเท่ากับค่าตัวเองของตัวเองเอาไปยงไงตัวเองเอามาจากพ่อเอามาจากแม่ตัวเองเอามาจากพ่อเอามาจากแม่เม <now> ื่วันนี้เราไปที่ลุที่ดีเราเห็นไหมเห็นไหมคุณบายจานที่เขาพาตัวฝ่ายแล้วให้ตัวร์องพยามน้อมไม่ต้อเลึกถึงพูดที่มีคนมีคนเล้าก็รู้ว่า ที่ลุมพูนีถือว่าเป็นเป็นที่เกิดเขาก็คิดว่าเป็นที่เกิดเขาก็ไม่เทียบจะถือว่าโอ้ทุกคนเนี่ยมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดเหมืนกันพระพุทธเจกาเขก็มีพระยาสุโธธนะมีพระนางสิริมาพย า, า, ย า, า, ยาเป็นแดนเกิดแต่ว่าที่ลุมพูนีมันเป็นที่ท่านเกิดเป็นที่ท่านประสูติพรฉะเวลาท่านอาตัวไปถึงตรงนั้นแล้วท่านมักจะถามย้อนมาที่ผู้ไปทัวไปเที่ยว น, นั่นแหะใครเราได้ใกล้บ้าง เรามีความสุขเรามีความทุกข์เรามีเห็นคุณเห็นคุณของพอของแม่เงี้อมันช้าแล้วเราได้ยินเห็นที่เรร้องเพลงวะร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงก็คุณแม่เห็นไหมเสร็จ แ, แล้วเราก็น้ําตาไหลน้ําตาร่วงไปตามๆกั น, กนใชหมเนี่เนี่ยคือวันเกิดเท่ากับเราลึกถึงวันเกิดท้องสถานที่ตรงนั้นมันเป็นที่เกิดเป็นที่ประสูนยเป็นที่ประสูนย์คือเป็นที่เกิด เกี่วกับพระพุทธ้าในเช้าเนี่ยพวกเราก็ได้ยินในฝันอยูแต่พวกเราเราพยายามพูดถึงสิ่งที่นํามาหนักหนาสาหันมากไปกว่า น, นั้นคือปัญหาอุปทานมันพาเราเกิดเราก็ยังแนะนําเี่ยวเรื่องปัญหาอุปทานสิ่งอหล่นี้มันพาเราเกิดให้เราลึได้หึกอะเอียดมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากไปกว่า น, นั้น อ่าเหมือนอย่างบางคนเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้จักบุญคุณของพ่อไม่รู้รู้จักบุญคุณของแม่เนี่ยคือคนที่ไม่เคยฝึกหัดดัดแปลไม่เคยรู้จักไม่รู้จักบุญคุณของพ่อไม่รู้จักบุญคุณของแม่และไม่รู้จักคาว่าบุญคุณคืออะไรด้วยซ้ำไปถ้ารู้จักคาว่าบุญคุณคืออะไรมันจะต้องรู้จักพ่อแม่ทำบุณอะไรให้กับเราพ่อทำบุณยังไงให้กับเราแม่ทําคุณยังไงให้กับเรา เพราะเหที่มันมรู้จักคำว่าบุญคุณนี่แหละมาถึงไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่นะฮะเรามาดูเลือดเกิดแรกที่เกิดขึ้นในท้องแม่นะนะระหว่างพ่อกับแม่ประสมกันนะธาตพ่อธาตแม่ผสมกันในท้องแม่นะั้นว่าเป็นก้อนเลือดใสๆก่อนเล็กๆที่การตั้งครรภ์การตั้งครรภ์นในท้องแม่ การตั้งนรรภแม้แต่หยดเลือดหยดเล็กๆล็หยดนั้น่ะก็เป mm ็นผลผลของตันหาครับเป็นผลผลของตันหาในใจของพ่อในใจของแม่ก่อนที่จะมีเลือดหยดเล็กเล็อยู่ในท้องของแม่น่ะเป็นผลผลจากตันหานั้นคื่อะไรนั่นั่นสมุทรไทยเห็นไหมสมุทรไทยโดยรูปธรรมที่เราไปมองเห็นเกิดขึ้นจากนามธรรมในใจของพ่อของแม่มีตันหา ท่าไม่มีปัญหาท่านไปไปเกี่ยวข้องกันทําไมเกิดที่ท่านมีตัญหานี่ยท่านไปเกี่ยวข้องกันตัดลึกมาได้รูปประธาในท้องของแม่ในจังหวัดที่ดีชิญามในจังหวัดที่เหมาะอย่างนั้นเถอะในจังหวะที่ไม่เหมาะจังหวะที่ไม่มีปุณณ์อย่างเี้ยเกิดไม่ได้เหมือนอย่างบางคนมันมีลูกเนี้ยมีสามีมีภรรยาแต่ไม่มีลูกล้วคุณณ์เพราอย่างหนึ่งเหมือนกัน คุณจำทั้งคุณจาเก่าทั้งคุณจำใหม่วานที่คุณจาใหม่มันก็ช่วยทาให้เราไม่มีได้เพีเดียวกันเป็นหยุดเป็นยาเป็นโน่นเป็น น, ốt, นี่เป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจป็เห็นให้เราขอร่างสร้างตัวขึ้นมาไม่ได้จังหวะไม่ดีจังหวะไม่งามจังหวะไม่เหมาะรุ่นไม่ถึงคุณไม่มีบางคนอยากบางคนอย่างได้จนจะเป็นจะตายไม่ได้บางคนไม่อยากให้ขอให้จะเป็น เลิกไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นเลิกไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นคนยุคใหม่คนสมัยใหม่ไม่กลัวบาปโลัวกรรมเม่ต้องทำไฝ่ก็เอาทิ้งนะฮะการทำกิจการเอาทิ้งครับก็ถือว่าเป็นการทําลายชีวิตของคนเป็นการทําลายชีวิตมนุษย์ท่านต้อ ง, งให้ระมัดระวังเช่นเดียวกันกเราไปจับจองในท้องแม่ทุกคนเกิดมาจากในท้องของแม่ทั้งนั้น พ่อแม่ผสมกันมาแล้วเป็นเลือเลือดเล็กๆด้วยบุญด้วยกรยกรมของเราเราก็เ ส, สะหาแสวงหาแล้วเราก็ไปด้วยพลังของปัญหากันหะตัญหามันพาเราไปใจเรามียังยังมีปัญหาอยู่เราก็องไปเที่ยวจับจองอยู่นั้นเนี่ยเออมันจังหวะที่ดีที่งามที่เหมาะแต่หากมันได้ด้วยบุญด้วยกรรมนะมันไม่ใช่อย่างได้อย่างไรแล้วก็ไปได้อย่า ง, งานั้นตามใจชอบที่ไหน บุญกรรมไม่พอมันไม่ได้หรอกมาเป็นในท้องคนมันเป็นไม่ได้นะครับบุญกรรมพอมาเป็นมนุษย์ขั้นไหนขั้นศักดิ์ต้อาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ขั้นกลาเป็นมนุษย์ขั้นมีสติมีปัญญาเป็นมนุษย์ขั้นอัจฉริยะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีบุญมาเกิดเนี่ยมันมีหลายระ ด, ดับอยู่เช่เดียวกันเขาสมควรจะได้เือนในอัจฉริยะเป็นอัจฉริยะอุปกรณตามบุญกรรมกรรมของเขา ควรจะได้ขั้นกลางกลางควรจะได้คั้นลักษณะเหมือนกันบวัวใต้น้ำนะ่ะวัวไอว้วัทุกตันพิโกลน่ะก็เกิดขึ้นมาบางคนก็ไม่พัฒนาไปหน้ามาหลังอะไรแล้วมาบ้าไปพิจิตรพิการไม่พอจะเป็นผู้เป็นคนอะไรดอกอย่างนี้ต้องมีนี่เห็นไหมคุณกกนกรรมมาจาแมกมนุษย์มาจาแมกใส่เราไปโอกาสในช่องแม่ด้วยกันทุกคนนะเลือดเนื้อทั้งหมดเป็นของพ่อของแม่ไม่ใช่ของเรานะ เราไม่ได้อาเลือดฉีดเลยเลยเตลเในท้องแม่แต่เวลาเราออกจากท้องแม่มาแล้วทำไมยึดยึดแล้วเกินยึดถือแล้วเกินไม่รู้แม่กระทั่งรู้คุณของพ่อของแม่เราอยู่ในท้องแม่แม่ต้องประคับประคองเราเท่าไหร่ดูเลือดดูเนื้ อ, อท่านกินตลอดทุกระยะทุกเวลาเราพิจารณามาตอนนี้ดูเห็นชัดชดเห็นง่ายง่ายนียยย่แหละเราจะได้รู้คุณรู้คุณของพ่อของแม่ม่งั้นไม่รู้คุณรู้คุณของพ่อแม่อะ เข้าใจไหมในที่ท่านจะเอาวาาาัดอวัดกุชิมารายเฉลิมพระท่านให้พวกเราไปทําบุญให้แม่อะไรนะใครกำลังกลบ้างเอานุ่งไปทําบุญให้แม่นะไปทําบุญให้แม่กนะ็้พ่ี่ี่สิบบาทเนี่ยเราฟังแล้วเราลื้นใจเราตึ้ น, จนใจไหมทีม่ท่านพยายามฝึกสติเพราเราให้รู้จักคุณรู้จักคุณของพ่อของแม่พ่อแม่ไม่ได้มาเออไปทําบุญให้ท่านด้วย อีการพูดแค่ยี่สิบบาทกนะัพ่อสิบาทแม่สิบาทได้ยี่สิบบาท <c oughs> น่าจะบอกให้ทำสักสอหมื่นพ่อส 20, องหมื่นหนึ่งแม่สองหมื 20, ่น <c oughs> ไม่รู้เม่ไหรเราจะได้ไมาอีกใช่ไหมโอ้ถ้าหลวงพ่อจะบอยบอยเอาให้หนักกว่า น, นั้นนะ <c oughs> ทำบุญใหพ่อให้แม่เออจับได้ไหมเราลึกได้ไหม เราฟังหมดแหละเราอัดแน่นไว้หมดแหละเออบางคนมันติดตันขมัดมันจริงนะมาด้วยเกีคุณคุณของพ่อของแม่โอ๊ยเราอยู่ในท้องแม่เรากินเลือกกินเนื้อท่านหลอ่อใช่ไหมเรามีสายรบสายสะดือใช่หไหมดูเนื้ อ, ด, อดูเนื้อจกักข้าวปลาอาหารมาจากท่านทั้งหมดนั่นแหละอ๋เราไม่มีอะไรแล้วก็ก้อนเนื้อก็คือก้อนเนื้อของท่านนั่นแหละ เรามีแต่พิญญาณเ <us> ท่านั้นแหละไปสวมนะ่ะไปสวมเพนะลเืองร่างน่ะแต่แล้วถ้าเปืองร่างอันนั้นก็เป็นเปืองร่างของทุกขงังอนัตตาคำว่าทุกขังก็คือมันก่อตัวขึ้นมาแล้วเป็นกองสังขารมันไม่ไปอยู่เท่าเดิมหรอกกองสังขารใดๆก็ตามอยู่รอบข้างตัวเราไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมสักอย่างนี่เละนี่เด้ยอยู่เท่าเดิมแล้วสักหน่อยนี้มันก็สนิมกินหมดความหินนี่เด้ยอยู่เท่าเดิมสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมัแตกสลายหมด อารมณ์เดิมอยู่เทเดิมนี่ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมชักอย่างฟังไปวิทยาศาสตร์เขาว่านน่นดวงอาทิตย์ทั้งก้อนน่ะเขาว่ากลุ่มก๊าซกลุ่มก๊าซกลุ่มก๊าซในดวงมันเองมันเผาไหม้ทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีนั่นนะ่ะไอที่มันให้แสงสว่างเรานั่นน่ะเอแม้แต่ก้อนพระจันทเนี่ยก้อนพระจันที์่ให้ความสวา่างเพราะว่ามันสะท้อนมาจากแสงอาทิตย์ในก้อนดวงจันทร์นั้นก็เท่ากับก้อนที่ดินนั่นแหละ ถูกลมมันถูกพายุมันถูกตีถูกกระทบถูกกระแทกถูกน้ำถูกร่อนไปถูกติดไปถูกกลอ่นไปถูกแตกสลายไปไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมสักอย่างในโลกนี้สิ่งที่อยู่เท่าเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงมีไหมมีคืออะไรคือพระจุดที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่พยายามพระพยายามปัดเรากันให้เกิดความบริสุทธิ์ตามพระองค์ไปนี่แหละอันนั้นคือสิ่งหนึ่งเดียวไม่เป็นสองกับสิ่งใดแล้ว พันธุ์เขาเาเรียกกองสังขานแต่สิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารไม่มีเลยอยู่รอบข้างตัวเรานอกเหนือไปจากสุกิที่บริสุทธิ์อย่างเดียวมันไม่มีสิ่งที่กระรูปทำทั้งหมดน่ะไม่มีอะไรดํารงตนอยู่คนเดียวโดดเดียวเกี่ยวข้องกับสิ่งนึงเกี่ยวข้องกับสินน่งนี้มันมีอะไรบ้างเราดูว่าที่ก็ห้อยเต็มไปหมดในบ้านเขาเนี่ยคืออะไรอันนั้นชิ้นอันนี้อันนั้นประกอบกันอยู่นั้นล่ออะเต็มไปหมดเช่นอะไรล่ะเปลี่ยนชื่อฟัน มันมรู้อะไรต่ออะไรบ้างยาที่ปั่นมีอะไรต่ออะไรผสมอยู่ในนั้นเป็มไปหมดมีอะไรที่เป็นมุ่งอยา่างสักอยาก่างมีมันไม่มีจิตที่ผู้บริสุทธิ์มันล้ ว, ลวนจิตของพระพุทธเจ้าจิต ข, ของพระอรหันต์นั้นแนหะคือจิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่กองสังขารไม่ใช่สิ่งกรุงสิ่งประกอบและเป็นสภาพหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นจิงเป็นสภาพสิ่งนิง่งเป็นสภาพที่เที่ยง เป็นสภาพที่ตรงอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีระยะเวลาแล้วก็ไม่มีพกไม่มีชาติที่จะต้องไปอำบัติที่นู่นที่นี่ไม่ไ ม, goin, ไมีแต่ละลงต้นอยู่อย่างนั้นแหละตลอดอนันตกาลฟังไหมว่าล้มตาท่นว่าท่านจะไม่กลับมาโลกนี้อีกตลอดอนันตกาลฟังไหมฟังไหมล้มตาก่านว่าท่านจะไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์นี้อีกไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกตลอดอนันตกาลแม้ไหนก็ตามไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์เนี่ย เพราะว่ามันไม่มีที่เกิดมันไม่ต้องไปเกิดทำไมจึงไม่ไปเกิดกเพราะไม่มีตัวยึดตัวผ้ายึดทำไมจึงไม่มีตัวพายึดเพราะมันหมดกลังของตัณหากลังตัณหามันไม่มีที่ย็ดที่จะผายทำไมมันจึงหมดพลังไปได้ตัณหานั่นเพราะเราเอาสติธรรมเอาสัมผัสัญญามาเพ่งมาพิจารณามาขัดมาลัางมาชะมาสักมาปอก จนมันหมดพลังไปหมดพลังที่เรีวร้ายนะคันหมดไปในตัวปั๊มมีคนมีการอุบายมายาที่อยู่ในใจเรื่องนะ่าของกันธารได้ตัดได้แปลงจนเที่ยงจนตรงจนซื้อจนสะอาดจนพ้นสุหมดแล้วถูกชะถูกล้างด้วยตัวงตัวเองจนสะอาดจนหมดจุดจนเที่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปกับสิ่งใดๆแล้ว ก็คือพิธที่บริสุทธิ์ของพระดเจ้าร้องทรงให้ความแก้ตัดความว่าประมังสุขังประมังสุกหังนี่แหละเป็นบรมสุขเป็นบรมสุขเป็นความสุขอย่างสูงยิ่งเราพูดทั้งหมดนี้เราพูดในภาวะของจิตของเราจิตของเราถูกปูพันอยู่ในภพในชาตินี้ไม่มีจุดจบไม่มีที่จบแต่ทอดมาที่ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้วัฏสงสาเก่ามันสรงทำมาแล้วมัน มาประกอบให้เกิดปัญหาใหม่เพื่อคูนเป็นการ เ, เ, าเพิ่มเผาปันเพรมันไม่ให้มันหมดไปไม่มันสลายไปและวิธีการตั้งใจปฏิบัติถ้าให้หลีกละความอยากในปัจจุบันเอาอะไรมาละเอาสติเพราสติมีอํานาจกําลังมากวามมา ก, มากว่ามีมากมากกว่าสติสัมพุชญยะยุติเยาา้าสหความปวดความโกรธความภามควาาความเปลี่ยนสติทำสัมพุัญยะทำ เจริญอารมณ์ให้เกิดขึ้นหนหนวยใจของเราให้มีแต่อารมณ์ที่เป็นธรรมให้มีแต่อารมณ์ที่ชอบด้วยองธรรมอารมณ์ที่ชอบด้วยองธรรมนี้เป็นอารมณ์เห็นจักแปลว่เห็นแต่ต้องมีสติปัญญรู้รู้อยู่ท่านจึงให้เราภาวนาท่านให้เราภาวนาเพื่อให้เราเอาบทธรรมะมากํากับไม่ให้เอาอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์ชังมากํากับหน้วยใจของเราเอาแต่อารมณ์ธรรมมากำจับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ แต่นผู้ตื่นแท็นผู้รู้เปนผู้เบิกบานเราอยู่กับผู้รู้เราอยู่กับผู้ตื่นเราอยู่กับเบิกบานเราก็อยู่กับผู้รู้นี้ผู้รู้เหลือแต่อยู่แต่กับความรู้แล้ก็มันจะจ่อไปให้เห็นแต่ความรู้ในใจของเราลองดูมันจะมีอะไรไปกวนไม่มีที่ไม่บริสุทธิ์อยู่นั่นแหละดี ถึงถึต้องมียกสภาพอยู่ในนั้นแหละเปนจากสิ่งที่ไปก่อกลือยี่ในนั้นเหรียบมากท่านผาที่ไหนมันจะมาขัดโลกกรามได้วิธีการทําแบบนี้มันเป็นวิธีการทําเพื่อชะเพื่อลาเพื่อตัดแรงมันในนิสัยสันร า, านดื้อได้ในใจของเราเนี่ยตัดแรงตัวนี้แหละมันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตัวอยู่ในนั้นนะฮะมันเป็นจากความเลวร้ายของใจของเราเอง ที่มันสร้างของตัวเองมามารู้กีกับการจี่โปรยชาติว่าจะมาชะล้างมายาชั่วร้ายเหล่านี้หมดไปจากหัวใจของเราเนี่ยมันหมดไปได้ง่ายที่ไหนเพราะเราปล่อยมาเป็นจีกับจีการเกลียสงไขกับเราปล่อยมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชะล้างแทบเปรี้ยวกว่าน้ำจางๆจะไปล้างสะาดมันชะล้า ง, างาให้สได้ยากแต่มันก็สู้ควาหนักของธรรมะไม่ได้ มันไม่เกินความมุสาหะความท้องความพยายามความภาคความเกียดเหมือนอย่ายงผู้ยิ่งต้องสร้างบารมีมาม า, มากมายมหาศารกเราก็สร้างบารมีเหมือนกันสร้างบารมีเพื่อเป็นสาวกมามากถึงพระองค์หรอกแต่ขอเราพยายามตั้งหัวตั้งใจทําให้ต่อเนื่องเราจะเห็นที่เดเด่ใ น, นขณะปัจจุบันชั้ด่วนนี้แหละมันไม่ใช่ว่าจะต้องเพชนะกัดชั้นนี้กลับข้างหน้าที่จะพู้เห็น คนที่มาท่ว่าเจริญสติเจริญหมาสติน่ะจะเห็นภายในสองพันป่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีทันวานะภายในเจ็ดวันนี่นหะสามารถได้ข้อสสดาบางคนสามารถได้สตีปาราบางคนสามารถได้ขนาดาบางคนสามารถได้อารหันไปในเจ็ดวันนี่บางคนบางคนก็ได้ภายในเจ็ดเดือนบางคนก็ได้ภายในเจ็ดปีแต่รอระยะเวลาเจ็ดปีบางคนได้ เป็นพระโสดาบันบางคนได้เป็นพระสติราคาบางคนได้เป็นพระอนาคาบางคนได้เป็นพระอระหรันต์เนี่ยปุริยเจ้าขันธ์ทรงเปรียกรไว้ปุริยเจ้าขันธ์ทรงปรกติรักปกันเอาไว้เราสนใจไม่เรื่องสติเรื่องมหมาสติที่พูดทั้งหมดมานี่คือเรื่องที่มันมีอยู่ในมหมาสติทั้งนั่งหละเรียนศึกาหลักอัตชัทั้งหมดเนี่ย เพราะฉะนั้นหาจะตี่จึงมาครอบหมดทั้งสมะถะครอบหมดทั้งวิปัสนาเพราเราทําอย่างใดอย่างหนึ่งจิตจะสงบก็ตามจิตจะสบงบแล้วตามทิฏฐินาก็ตามตั้งหาไม่เกินตั้งหาไม่เกินนี่แหละคือตัวจะเริ่มช้าเริ่มล้าเริ่มตัดเรื่องเก่าเรียนหัวใจของรายหมดไปเมืนน่อนางพุดปาสสงบโลเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนี่นั น, ม, นมาปุ๋ยเป็นฟูงเป็นแควแต่ตั้หาราคาหัวใจของเราเตรียมแฝ่อยู่ไม่ใช่ อันนี้เป็นกระแสรตรงเป็นสายตรงนะราชาธนายหยุดชนะอยากหัวใจของเราได้จนปีเี็นอย่างชัดเจนในหัวใจของเราไม่ต้องมีใครมาบอกเห็นชัดเจนอยู่ในขณะจิตของเราในจลิอารภายในใจของเราอ่าทหามีพุนวัศาสนาเสั่งสอนโรงรเริลยอาุนยามามันก็ลอยได้ขึ้นมาด้วยทหาเราไม่เคยสร้างสิ่งนี้มา เพียงแต่เรารู้เท่าทาันที่เด็กทหารหัวใจตัดไปตัดไปแค่นั้นก็จบแล้วสี่งบานั้งเรามีก็ได้เราไม่ไม่มีก็ได้แต่ถ้าเรามีมันก็เป็นคุณสมบัติพิเศษติดตัวเราเป็นคุณสมบัติพิเศษติดตัวเรามันไม่เหมือนพระศาสดาพระศสาสนาท่านจะต้องสร้างอภิญญาสมะขันธเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้น ถาเป็นศาตปาสาสตรปัดณ์แรงไอพวกวิชาวิถีทั้งหลายทั้งปวงไอพวกนั้นมันจะโยมัดได้เพราะเอาปญญาสมาบัติมีความรู้เีดยนวิชโลชลโยวิสามวิสักปัตโตเนี้ยวิชาสารัปญญาหกเนี้ยรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ด้วยอจของจิตสาเร็จแล้วเรื่องจิต แต่รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาฆ่า้างด้วยสติฆ่ล้างด้วยปัญญาอาชวัคยาาสามารถทาอาซอกที่เหลือให้หมดไปย่าหัวใจจเรว่าจบ ก, กันอันนี้คือป้อาวไม้ที่ถูกผสมทำนี้ัเราเรามีลำเนี้อเรามันจะไปลงเล่นหลงเพลินปลายเป็นวิจฉาไปหมดสมาธิก็เป็นมิจฉาปัญญาก็เป็นมิจฉาเน่มันไม่ใช่สัมมามันเป็นมิจฉามิจฉา เราเอาอเอาไปใช้ออกนอกรูนอกทางไปเรามาตรงเนี่ยไปถึงข้อปฏิบัติด้วยช้าเพื่อละความยากปัญหาชาติหน่วยใจของเราให้อยู่สงบสงัดอยู่มัดเราอันนี้ไม่ต้องไปหลงไปเปลืองไปเพลินกว่าส่นั้นแหละความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคยแ่ามาเท่าไหร่ก็่วงไปหมดไปหมดรยะนี้ มาเป็นชั่วโมงเมื่อนั้นนะนี่เราสามารถเดิมาเป็นชั่วโมงเอ า, เาพักให้น้ำแค่นี้ก่อนนะตเราก็นั่งภาวนาต่อนะอาอาสาดุฝาดุหลับฟังเื่ฟังหลับอาหลับตานั่งภาวนาฟังอ อาตุนะอาตุ